อาตูเร็ตถูงล้มตัวลวงงอทุกทีนะครับสิงแดนดับขวาต่อยขวากหูต่อยขวาล้มตัวต่อยขวากหูกหูจริงต่อยขวาทีละอลล้ไปแล้วอาตุเล็ตถูงลตัวลวงมอทุกทีนะครับสิงแดนดับขวาต่อยขวาโกหูต่อยขวาล้มตัวต่อยขวาโกหูโกหูจริงต่อยขวาทีละบอลล้มไปแล้ว